อาจารย์ท่านสามได้จริงเลยกันนะฟังตามกั น, นยังพ่อเป็นผู้พูดท่านหลายเป็นผู้ฟังนะ เราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับทุกท่านทุกชีวิตเราก็เคยเป็นมาเหมือนท่านอะไรอะไรที่เราผ่านมาเหมือนกันหมดเราสำับสนนผู้ที่หลงไม่ต้องหลงก็ได้การเปลี่ยนหลงเป็นโล้เป็นเรื่องถูกต้องที่สุด จุดหมายปลายทางให้อย่าให้มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวหรือมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นอะไรทุกเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางการเปลี่ยนทุกเป็นไะไทุกเนี่ยไม่มีความยุ่งยากอะไรง่ายอยู่เฉยๆก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรต่างๆที่มัน ไม่ถูกแค่เป็นความถูกต้องนั่นหลายจุดหมายปลายทางของเราทางสายงี้พุทธเจ้าเดินมาแล้วผ่านมาแล้วเหล่าพระสาวกก็ผ่านมาแล้ ว, พ, ลวพุทธบริษัทผู้ทดดี่เข้าถึงสินนั่งถามผ่านมากันนั่งนั้นผ่านวามลัก เคยมีความรักเคยมีความเกลียดชังเคยมีความเศร้าหมองผ่านมาได้แล้วมีคนผ่านได้แล้วเยาะเย้เป็นทางที่เหยียบย่อมาแล้วอย่าไปจงือจง้าอย่าไปจำนวนยอมอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ในความหลงในความเกลือเจ็บตใยในความทุกข์ในความโกรธก็มีการเกลือเจ็บตายหรือเป็นภพมิชาติอยู่จากนั้นผ่านมาให้มันสิ้นพพสิ่นชาติเป็นเป็นหนทางทู่ที่เคยเดินผ่านมาแล้วแม่ชีวิตของเรา เคยเป็นหนุ่มก็เคยเป็นหนุ่มมาแล้วเคยเป็นเด็กก็เคยเป็นเด็กมาแล้วเคยเป็นอะไรอะไรเคยเป็นมาทั้งหมดในเรื่องของคนเน่ยคนเนี่ยมันไม่มอะไรเคยผ่านมาแล้วไม่ต้องน้อยเนืนอาตําใจหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เคยผ่านมาแล้ว เคยเจ็บก็เคยเจ็บมาแล้วเคยป่วยอย่างโ ช, ชดฉันหัดเคยป่วยมาแล้วไอ้คนผ่านมาแล้วธรรมะมันไม่มีเลยขวางขัน้นมันโลง่งมันโล่งมันว่างโล่งทะลุทลวงหัดเดินให้วันเป็นลอยเอวไว ลอยลอยเท่าของเราลอยชีวิตของเราเหยียบมันไว้แม่มันจะลิบเละไปท่านั่นแหละเหมือนกับไฟในบ้านประเทศที่ปานาแล้วเขามีไฟ A C D C ไฟ A C คือไฟฟ้า ไดีซีคือแบตเตอรี่เดับไฟเอซไปดีซียังมีอยู่แต่มันไม่สว่างมันเป็นลิบหลีลลเห็นทางออกทางเข้าเห็นประตูถ้ามอีอะไรเกิดขึ้ น, ปนไปทางไปดีซีที่มันมีแสงนิดๆหน่อยนั่นแหละทางมันไม่มืด นั่นบอกไปทางนั่นแหละเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์มันริบหลีไปทางนั่นซะก่อนเวลามันโกรธควมไม่โกรธลิบหรี่วามโกรธมันอาจะใหญ่กว่าแต่ว่าความไม่โกรธลิบหลี่ได้น้อยนัย่นแหละไปหานั่นแหละอ๋อจะไม่ไปทางมางอยู่ตรงนั่นแหละถ้าไปเราจะพบทางไปเรื่อยๆไป ปอดภัยเช่นไปไม่บา้าดไปดีซีไปผ้าดับไปดีซียากบอกทางเราอยู่ชีวิตของเรามันไม่มืดมันไม่ทุกในความทุกข์ในความทุกข์ในความหลงในความไม่หล ง, มมลงในปัญหามันมีปัญญาอย่าสิ้นหวังขอเขียขอสนับสนุน เป็นเพื่อนเป็นเม็ดในเรื่องไม่ไม่ได้ยินเอาไว้ปัญหาเกิดจากเราไม่เป็นปัญญานะจนไปถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางขาดไม่เป็นอะไรเห็นมาหมดชีวิตของคนเนี่ยเห็นมาหมดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นหมด เพปฏิบัติธรรมมันมันมันมันแสดงมันสาธิตให้ดูเวลาเรามีสิเหมือนเรามีตามันทัศนานุตตยะเห็นเห็นเรื่องของกายเรื่องของจิตใจที่มันแสดงออกมาเป็นดำเป็นขาวทำให้เราหลงแต่ อยู่ที่กายที่ใจแล้วไม่พอภายนอกเองประกอบกันเข้างาก็มีอะไรอยู่ที่นั่นเองเกิดที่นั่นเองกายเห็นลูกมีสมมติบัญญัติเ้าไปแทรกซ้อนน่าชอบบ่าไม่ชอบขอใจไม่พอใจในสมมติบัญญัติไปเกี่ยวข้อง มีอุปทานเข้าไปเกี่ยวข้องยึดมั่นถือมั่นก็เป็นพบเป็นชาติตรงนั้นเสียเวลาถ้าเรามีชติตมันจะเป็นเครื่องมือเห็นเห็นจอมผัดลูกไม่มีสมมติบัญญัติเข้าไปสมมติบัญญัติไม่จริง ปรมามัดฉัตรจจริ ง, รจจงก็สมมติบัญญัติเช่นความพอใจแล็นสมมติบัญญัติปลามัดฉัตรจ่ไม่มีในในความพอใจความไม่พอใจความโกรธความชอบเป็นส ม, มุติบัญญตัตตระมัดฉัตรจไม่มีตรงนั้นมันไม่อย่างนี้มันมันมีคู่เปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัด ในธรรมมีกุศลมีอกุศลในความหลงในความไม่หลงในความโกรธในความไม่โกรธอย่างนี้มันบอกนอกจากรูปจากานามจากกายจากใจมันก็มีภายนอกที่มันเป็นคู่กันเป็นใหญ่ เส้นตามก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงตาโม ก, ก็เป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการได้รสกายก็เป็นใหญ่ในการสัมผัสจิตใจก็เป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งหลายส่วนกายมีอันเดียวส่วน สุขเป็นทุกมีหลายอย่างเรียกว่าเวทนาจิตก็เป็นจิตอันเดียวแต่มันแต่เป็นอารมณ์หลายอย่างา ท, ท, ที่ว่าทรทมทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายอาการทั้งหลายสิ่งที่เกิเกดกากจิต เรียกว่าอาการจิ่งที่เกิดกับกายเรียกว่าอาการไม่มีอะไรที่เป็นกายอีกไม่มีอะไรที่เป็นาธาตุจไม่มีอาการแต่มันก็เป็นภพเป็นชาติเกิดเจ็บเจบตายเสื่อมนั่นภพภูมินี่เกิดกับอาการนั่นมีภพภูมิมต่างๆ มีเปิดเป็นสุรกายสัตว์ในโกเดือดฉานอาการเกิดกับกายอาการเกิดกับจิตมีพรมีชาติเกิดตับเกิดดับถ้าเราเห็นมันก็จุดเกิตรงความเ ด, ดินได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือจุดหมายปลายทางการที่ผ่านทางสารนี้จะไปมีความยากความง่าย ความตายไม่มีค่าอะไรจุดหมายปลายทางเป็นความหมายของเราไปหยุดจมโนถ้าจะทำเรื่องแนมไม่มีความยากไม่มีความสะดวกไม่มีความง่ายไม่มีความผิดไม่มีความถูกไม่มีความถุกไม่มีความทุกไม่มีความตาย ไม่มีค่าเช่นเหล่านียไม่ได้เห็นไปไม่ได้เห็นแล้วไม่เป็นไปกับอะไรต่างๆไปก่อนสายด่วนอย่าไปหวานเย็นจอดอยู่กับความรักจอดอยู่กับความชังจอดอยู่วความสความทุกข์ันหวานเย็นด น, นชา ถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็ด้านได้ด้านไม่เป็นปะทะปรบะถ้าไม่หัดตัวเองให้มันสะดวกมันก็ไม่สะดวกถ้าหัดให้สะดวกก็สะดวกมันผิดเห็นมันผิดสะดวก มันถูกแขนมันถูกสะดวกมันทุกแขนมันทุกสะดวกอะไรที่มันเห็นมันสะดวกถ้ามันเป็มเราไม่สะดวกหัดให้ตัวเองสะดวกจะไม่หัดมันก็ไม่สะดวกละมันมีรสชาติมีสาธะธมีอสสนทะรสของโลกนะ่ มันก็สินชัยตามเอาสุมนทาแล้วก็ไปเจอ จ, จินาลีจินาลอนจินาลีจินลอนไปเจอเสาหงามไปเจอแหล่งสนุกไม่อยากจะไปอกีกก็ไม่ได้ต้องสีห์หสังทองช่วยกันไป หมายถึงการเดินทางสิงใสคือสีเนือสีหัวคือสมาธิสังทงคือปัญญาเป็นเครื่องมือหนักแดงทั้งมีพลังทั้งมีความคม ถ้ามีแต่ความคมไม่มีพลังมันก็มันก็ไม่ขาดได้เช่นมีดโกนโถมไปตัดต้นไม้มันไม่ขาดไม่มันคมจนโกนผมผาดตีเราหมื่นเราแส น, แสนเส้นแต่มันตัดต้นไม้ไปได้มันไม่มีพลัง มีน้ำหนักเพราะมันจึงประกอบด้วยกันมีฉินมีสมาธิมีปัญญาถ้าจะมาเปรียบเหมือนมีดมีทั้งคมมีทั้งน้ำหนักมีทั้งพลังงั้นเรายืนจะฟันจะยกของหนัก ถ้าไม่มีที่ยืนก็ยกไม่ขึ้นได้าจะตัดของที่มันแข็งถ้าไม่มีที่ยืนก็ตัดไม่ไม่ได้มันจึงม่ทั้งที่ยืนมีทั้งฝันลังมีทั้งความคมมีทั้งอะไรประกอบกัดเข้าเรียกว่าศีลเรียวกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาเอามาใช้ มันหลงไม่ต้องศิ้นไม่ต้องสม า, าธิไม่แพ่งปัญญาไม่หลงนั่นแหละศิ้นนั่นแหละสมาธินั่นแห ะ, ะปัญญาจะไปโอนๆมันทุกัอนอันมีศิรร้นเห็นทุกไม่เป็นทุกคนจากทุกเห็นสิ้นแล้วเป็นสมาธิแล้วปัญญาแล้ ว, ลวเราเหยียบย่มได้สบายเลยตรงเนี้ย ลุยได้ถึกตัวง่าเชืชมแข็ง ใ, ในความก่อนแอ่ก้อนแอ่อแอที่ไหนเชืมแข็งที่นั่นจะอ่อแอ่เมี่เปลี่ยนชิดเรื่องเก่า บาชิตล่างเก่าไม่เคยเดินไปข้างหน้าไม่ได้เช่นพระอเยบุคคนมีมีภพต่างกันเช่นพระอานาคามีหลงข้างเดียวไม่หลงอีกเลยพรสกิธามีหลงหลายข้างพระโสรดบาบันก็หลงอีกหลายข้าง จนพระนาคามีผู้มีพบเดียวผ่อนได้ง่ายๆหลงไม่หลงไม่มีรถตั้งสองนี่อาณาคามีหมายถึงการฝึกตนให้มันเข้มแข็งให้เคยชินให้เป็น การสะดวกเหมือนก่อนมีความรู้มีความสะดวกอ่างเช่นทำอะไรก็ตามมาสะดวกไม่มีความรู้ความรู้ที่เป็นวิปัสสังคุฏฐานมันเป็นความชำานาญชำนานไม่ใช่ความรู้ จำมนานในการใช้ความรู้สึกตัวทะลุทลวงได้ง่าเจิงหมอสหับสนุนพวกเราถ้าท่านเคยสุกเราก็เคยสุกมาแล้วเคยักเราก็เคยรักมาแล้วเคยเป็นหนมก็เคยเป็นหนมเป็นน่ามาแล้วเต่าเรานี่มันก็มาถึงจุดวัยชรา แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นหนุ่มๆยังไม่ถึงตรงนี่อาจจะไม่รู้เดินผ่านไปเราจึงเะรู้มันเป็นอย่างไรนี่เราก็ผ่านมาเกิงๆในในโลกไม่มีอะไรที่กบเกินในชีวิตไม่ต้องมาอวดว่า แบ่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลวงตาเป็นพูอเท่าพ่อหนูเป็นคนหนู่มคนสาวอนน ไ, ไม่อยากไปแบ่งบงั้นกันเราจะพูดถึงสภาวธรรมเหมือนกันเป็นพาหนมหลวงตาก็เป็นพราแจพูดไหนก็ได้ไม่ใช่ท่านแบ่งเอาเองแต่สภาวธรรมเหมือนกัน แต่ไหวต่างกันนี่คือชีวิตที่ผ่านมามาถึงจุดหมายปลายทางคือไม่เป็นอะไรคนนั่งฝังนั่งบนฝังดูคนที่อยู่ในห้วงน้ำถ้าท่านยางงดจังโผล่เรีว่าแบวกว่าอยู่ มุดโผคือสุขคือทุกข์พอใจไม่พอใจเป็นคนแบกไหวความพอใจแบกไหวความไม่พอใจก็แบกไหวความสุขความทุกข์ก็ยังแบกไหวความรักความชังยังแจกไหวความโลภความโกรธความหลงยังแบกไหวอยู่มันไม่ฝังนะ ขึ้นฟังสะลอมันก็แล้วกันไปคือไม่เป็นอะไรง่ายๆอย่างนี้นั่นจึงว่าจุดหมายปลายทางในความหมายความตายไม่ค่าอะไรถ้าถึงจุดหมายปลายทางจาไปกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวในในในโลกในรถของโลก ไดกลัวก็กลัวอันอื่นกลัวก็กลัวปอบอกุศลมันหลงอะขหน้าหลังเกียดมันสุขหน้าหลังเกียจมันทุกหน้าหลังเกีย ด, มยดไม่ได้กลัวกลัวที่มันหลงนั่นแ่ะต้นตอมันอะไบ้าง จะใช่กลัวแบบวิ่งหนีกลัวแบบอายดังเกียดเหมือนเห็นขี้บาไม่ไปเหยียบมันเห็นความโกปกไม่ไปเหยียบมันเขารบมันเอารบควงมชั่วคืออย่าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่ากลัว ก็กลัวแบบนี้เป็นเทวธรรมได้เทวธรรมคือพระบะอย่างนี้ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไปข <But> อเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้อะไรที่เราตรวจตรวจน้าตอนเช้า เราเรายังไม่รู้ส่วดเราแต่ยังไม่รู้ ส, ว น, สวนมนต่ข้าวเจ้าแผ่ให้แล้วผมก็เทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านันในไหนรู้เทวดาที่ไหนถ้ามองไปเทวดาที่มันลูกขะเทวดาอยู่บนยอดไม้ภูมิเทวดาอยู่ในแผ่นดินอากาศาเสถียรอยู่ในอากาศนั่นเราไม่รู้นะอาจจะมี แต่เรารูดเทวธรรมที่มึนในหัวใจของคนทุกคนนะโอ้เทวดาทั้งหลายจงวอสัหลอนท้านรูดคือเทวธรรมเราก็สนับสนุนช่วยอยู่ทุกท่านท่านนั่งอยู่กติของท่านเรานั่งกติของเราโอสนับส น, นุนไม่ทุกขัทนทุกไม่ทุกข์ก็ได้ ให้มีอย่างนี้ถ้าท่านมองอย่างนี้หรอกเทวธรรมช่วยท่านแล้วตอาท่านหลงไม่หลงก็ด้อยตอนโกรธไม่โกรธก็ด้อยอมันจกปลกุ ก, ลกนั้นแหะเทวธรรมมันไม่กล้าทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วไม่กล้าจะไปสุขไปทุกข์มันอ่ยมันมีเทวธรรมในหัวใจนี่ถ้าทุกข์กดไปอย่างนี้ เยาว่าโล ก, ก บ, บาลทั้งหมดสนบต้มเย็นหลวงป่าฐานที่งามของจตั้งหลายจงสําเร็จเถิดจงถึงมรรคผลนิพพานหองป่าฐานที่นามของท่านทั้งหลายจงสําเร็จเถิดเราก็ขอจำส น, นรองแนวจุดหมายปลายดางก็ไม่เป็นอะไร มันไม่ยากไม่ต้องไปไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวไม่กินน้ําเดินจกงกรมจนเท่าแตกเหมือนจกงกรมจะกกขาแตกไม่หลับไม่นอนจนตัวเหลืองงั้นไม่ใช่ฉันเข้าทางเข้าให้เอนอนให้พอ ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องธรรมะมันเป็นการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเนะี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนะี่ยนี่สำคัญแม่ท่านจะกินอะไรไม่กินอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้จักประมาณหัดก็ได้เรื่องกินเรื่องนอนหัดนอนหัดตื่น อย่าหลงหลอยไม่ต้องไปจำนวนแต่ว่าเรื่องอันสุกสุกทุกทุ ก, ทกอันหลงอันโกรธน่มันมันไม่เกี่ยวกับปัญอื่นมันเกี่ยวกับสติปัญญาแศีลเท่านี้ไม่ใช่ไมไม่กินไม่กินข้าวมาสู้กับความโกรธ เาช่ความหลงเอาไ่กินข้าวอดข้าวอดนอนไม่ชู่วมันชู่ไม่ได้มันต้องเอาสติปัญญาเอาสินเอาสมาธิเอาปัญญามีสติเข้าไปนะ่ะมันจึงจะใช้ได้มันเป็นเงาแสงสว่างมันก็จัดความมืดไม่มีวิธีใดที่เทียมกับ ความมืดได้ก็ไม่หลงจ ำ, จำกัดความหลงความไม่ทุกข์จกัดความทุกข์ไม่ใช่เหตุอันอื่นเอาเหตุเอาผลไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติตงกันปฏิบัติตงเรามันหลงไม่หลงมันตรง ถ้ามันทุกไม่ทุกมันตรงเวลามันโกรธไม่โกรธมันตรงนั่นเองแลมันดีปฏิบัติตรงมันก็ดีมันก็ทําได้ถ้ามันหลงไม่หลงโอ้มันก็เปลี่ยนไปได้มันดีออกจากทุกข์มาไม่เป็นทุกข์แล้วมันอยู่ในเทาาเดียวกันจิตมันเป็นวงจรของธรรมะ มีเศษก็เกิดจากสตินะให้ถึงจุดหมายปลายทางขอชำสนุนทุกคนที่ใช้ชีวิตในโลกนี้ผู้ปรงอาหาร ก, ก็บรรุธทรได้ผูท้ที่มีนวักรรมการก่อสร้างก็ปรรลุธทรได้าการทรงเศษจานตุ่มดูแลเรื่องการ ซ่อมแฉมเสนาสนะขอจบสนุนโอกาสบ ร, รรลุทมได้มีพระหันบางลูกทำหน้าที่เรื่องนี้ก็มีเหมือนกันเจ้าวธิการเฉดดาชนะนวะกรรมกรตีไค่ลวกกตีไครพังบอกบอกผมจีวรใครขาดบอกผม วใครเศ้าหมองบอกผมห่าลั่วบอกโยมผ้าก็บอกมีผู้สมัครอย่างวัดเราก็มีมีพระที่ทำนาที่ใดเรื่องฝอยเรื่องน้ำเรื่องซ่อมแซมเมว่าน้องต่อมาจาก กรุงเทพบางคืนนาะว่าจะไปอาบน้ำอุ่นนี่ก็ติโน่ไปเปิดก๊อกน้ำอ่างล่างหน้าแปลงฟันเหม็นนึกว่าตัวอะไรไปตายใจมันจะไปตายได้อย่างไรมันอยู่ในท่ หรือ ม, มันอยู่ในอ่งในแท่งอาจอาจะมีตัวสัตว์อะไรแต่ลกว่าเอหนูบ้างงูบ้างมีฝาไม่ปิดดีอาจจะม่เหเดุน้ารำมันเน่ามันเหม็นมันสัตว์เลแปรงฟันไม่ได้อาบก็ไม่ได้เหม็นไปเลยเปิดน้ามาก็เลยเดินมาอาบน้มที่นี่มาต้มเมา ในนี่ก็บอกตุ้ยตุ้ ย, ยไปดูหน้าให้หน่อยนะตุ้ยก็ชวนเพื่อนไปอย่างองอาจมีพระํำนาญนวกรรมเป็นหนายช่างใหญ่อยู่นี่ก็มีเขาปล่อยกันเป็นทีมไปตวป่าตุ้ยบอกวอาน้องพ่อไปเปิดดูสิมันจะเห็นไหม ไปเปิดดูก็ไม่เห็นเราไงเขาก็เขาก็มีความรู้ความสามารถแบบนีเหมือนกันไปทำยังไงล่ะมีอะไรตายหรือไม่มีอะไรตายน้ำหลวงพ่อไม่ได้ใช่หลักไห้หวานอยู่ในท่อไม่เหมือวอะไรไปตายแส่เวลาหลวงพ่อมาต้องเปิดกให้มันแนวราวออกเสก่อน อย่างท่อน้ามของเราไนปะ เ, เปิดเราใช่เลยไม่ได้นะถ้าเรามาอยู่นะมันมันมีมนภาวะหน้ามขอเราบางทีก็ไม่สะอาดมีและอองไม่พ้นไม่ได้กองให้เหมือนน้ําปะ่าของเราขังไนะว้ในท่อนานมามันก็ขังอยู่ไม่ไหลผ่านมันก็เปิดตัวมันก็เ น, น่าเหม็นเปิดเท่งไมนะไม่มีอะไรไปตายนะโอ้โอ้โอ พอลูกเพื่อ ม, มาลูกแต่ก่อนว่าอะไรตายจะได้เปิดด้ามในโอ่งทิ้งเหรอใช่เออเปิดแล้วทอนะนะว่ากั๊มคู้ชำนานนี่ก็พวกเราก็อบอุอ่นใจแม่คีทุกคนหายเจ็บหายป่วยแล้ว <c oughs> อ่า อา่นั้นก็หลังตาก็หายไปตรวจโลมาเลงหมอบอกว่าไม่มีอะไรแล้วตั้งที่สิบเอ็ดแล้วสามสี่ปีแล้วยังไม่ฟกพื้นมะเลงยังสงบอยู่นี่มันก็ธรรมดาของสองขานร่างกาย ขอทำสะดวกให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกเนี้ยโลง่งโลง่งว่างวางสะดวกเป็นสุขไม่สะดวกเป็นทุกข์ไม่สะดวกเป็นความรักความชางังพอใจไม่พอใจไม่ค่อยสะดวกถึงตรงที่ไม่เป็นอะไรเป็นชีวิตที่สะดวกล่บเลินโลง่งโลง่ง ว่างว่างงองโอกทะลุทะหลวงทั้งหมดใครเป็นแลไรก็รู้แล้วเปิดขันหมดทีวิตของเหาเหมือนกันหมดถ้าใครหากว่ามีอะไรอยู่ก็ไปไปให้พ้นพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วทางสายนี้ชํานาญมาก จำนาในการเดินทางเหมือนเราทางของเราเช่นเราแจ้งข้อถ้ามาไปหวานเป็นทางของเขาหน้าเขาเบ่งทางของเขามันก็ปลอดภัยคดไม่เคยทางมาวิ่งทางของคนอื่นไม่เคยก็ไม่ปลอดภัยตกเขาไปหลายครั้แล้ว ทางมันเป็นของไขรของบวนอยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นมิตรภาพตาเป็นมิตรภาพแล้วมันก็สะดวกยิ่งเป็นไอเว t ทูเ a y ก็ way, สะดวกเพิ่มขึ้นถ้าเป็น r รีเวยยิ่งสะดวกใหญ่ประเทศไทยเราไม่มีมีประเทศที่พัฒนาแล้ว r รีเว y ทั่วประเทศ บิ่งไม่ต้องจอดรถนั่งส่วนตัวบิ่งฟรีเวสำหรับไปทางานโอ๋หว่าไ่ทั่วประเทศชีวิตต้องเป็นฟรีเ ว, วน่าสะดวกทางของเราถ้าทางรถถ้าเป็นฟรีเวหรือเป็นไฮเว โูรเวก็จะดวกเหมือนเหมือนถ้าจะเปรียบก็เหมือนไปมักไปผลนั่นแหะงั้นบอกทางมันบอกราจรดมันบอ ก, บอกเวลาเรานั่งรถไปนะนคนขับรถอาจจะได้มักผลที่ผ่านถ้าใช่ถูกอย่าหลวงพ่อไปกรุงเทพ จราจรได้ยอบางทีรถแซงมามันจะแซงไปมันก็แย่งกันอ่ะท่านท่านเราก็เออคนกรุงเทพถ้าท่างอ่ะใช้ชีวิตเป็นจะได้บรรลุธรรมขวาพวกเราอยู่จุกโตนะเพราะว่ามันผิดอยู่เรื่อยอันทนอื่นทำให้เราหลงตัอื่นทำให้เราทดสอบเราบางทีเราเปิดแต่ไล่กัน หลวพ่อก็คชดว่าเออน่าจะไม่เป็นไรให้เขาไปก่อนคันนี้มาเไม่เป็นไรไปก่อนการใช้หมาขวามาไปไปก่อนบรรลุธรรมไหมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนอ่ไปก่อนเอไ อ, เอไม่เป็นไรจอดเออไม่เป็นไรเนี่ไมันสนุกนะสนุกไม่เป็นอะไรก็เป็นอะไรถ้าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเครียดนะ ไม่ไหวไม่ไหวมันตัดหน้าเรามันเบียดเราอะไรไปทำนองนั้นต่างคนต่างอยากไปแล้วก็อยากไปเขาก็อยากวไปเราก็ไม่เป็นไรตะพืตะเพื่อไปนี่คือเดินทางเดินทางคิดกับมันกันล่ะไม่เป็นไร นี่อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่เป็นไรเกิดกับพวอื่นมาทําะไรเราไม่เป็นไรเราเป็นทุกข์ของอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็สะดวกสะดวกไปแนะ้วก็อยู่ชีวิตก็สะดวกไปแนละ้วให้ชีวิตทําชีวิตของตนให้สะดวกจะทําชีวิตของตนไห้ให้ติดขัดจราจรติดขัดอารมณ์ข้าง จาราจรหายหัวใจไม่สะดวกอ ะ, อะไรก็ยากมีคนถางหลงตาไปเทศพนานการวินสลามบินสุวรรชาติไหนจะได้บรรลุธรรมจะบรรลุธรรมชาติไหนทำไมไม่ไม่เห็นอะไรอะไรงันจะได้อะไรชาติไหนเวลามันหลงไม่หลงบรรูุ้ธรรม แล้วมันโกรธไม่โกรธมันรู้ธรรมเรามันทุกข์ไม่ทุกข์มันรู้ธรรมอะไรที่มันเป็นนั่นแหะไม่เป็นมันรู้ธรรมไม่เป็นมันมีอะไรในโลกเนี่ยไม่เป็นใครนไม่เป็นตลาตัวไหนของไม่ใช่ว่าปวกขึ้นนี่เฉยไม่ใช่นะตูเละคำว่าไม่เป็นนี่คือทำนักทำงาน นักทางานไม่ปล่อยทิ้งถ้าเป็นเราไม่ใช่นักทางานคนที่ไม่เป็นอะไรเป็นคนที่หมกแก่การงานอย่างมากทีเดียวสมควรเก้วเวลาภาพพร้อมกัน